ที่พวกเราหาทำการทำงานเงินเดือนทำมาค้าขายทุกอย่างอันนี้คือเมื่อได้เงินมาแล้วเราก็ไปซื้อข้าวน้ำโพชนะอาหารผ้านุ่งหม่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บสร้างที่อยู่อาศัยอันนี้คืออาหารของร่างกายร่างกายของเราต้องเป็นอยู่ด้วยอาหารคือปัจจัยสี่ส่วนอาหารใจนี่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 หลวงปู่แว่นและครูบาอาจารย์ที่ให้ธรรมะอันนี้ก็คือเป็นบุพการีที่ให้ธรรมะที่ท่านจิบยืนธรรมะนำทมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาแนะนาอันนี้ผิดนี้อันนี้ถูกนะอันนั้นสูงนะอันนั้นต่ำนะจริงควรไม่ควรนรกสวรรค์มีจริงนะวิธีนั่งสมาธิทาอย่างนี้นะวิธีเดินปัญญาอย่างนี้นะวิธีทาจิตใจให้เบื่อ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 S <S <an> <S เห็นหน้าในเห็นช่องลงไปก็เห็นเงาหน้าในกระจกะเหมือนเหมือนเห็นเงาหน้าในน้ำแทนกระจกได้พราะน้ำมันนิ่งน้ำไม่กระเพื่มพอมเพราะนั้นสิ่งที่นิ่งมีมากมายหลายอย่างที่เราเปรียบเทียบใจของเรานิ่งก็เหมือนกันเมื่อจิตใจของเรานิ่งเราจะมองเห็นสิ่งดีสิ่งชั่วสิ่งควรไม่ควรควรครับควรทาควรพูดนะ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 แต่ถ้าคนขาดามากๆหรือมีส่วนนะคิดบุดคิดปัดคิดบุดคิดปัดไม่กินนั้นไม่ตีหายใจหมดไปตั้งสติไม่ได้เลยอันนั้นไม่ดีเพราะฉนั้นขอให้พวกเราตั้งสติอันนี้บริกรรมให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนแต่ว่าก่อนที่จะทําก่อนที่จะนั่งสมาธิหลวงพ่อเคยแนะ น, ำนะํำคณะทธาญาติโยม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 ถึงจะโมโห โ, หโกธาโกาให้เขาไปฆ่าเขาเข้าดถอะฆ่าเขาเข้าแดีวเราได้อะไรแหมมันก็ได้เพียงฆ่าเขาเท่านั้นทําบาปกรรมให้กดตัวเองอีกต่างหากเท่านี้เพราะฉะนั้นชีวิตทั้งชีวิตของเราเราจะทํำยังไงจึงจะถูกต้องจึงจะอไปรอดถึงจะเอร่าปรื่ม น, นี่นี่แหละอันนี้ก็คือใช้ปัญญาเลยไง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 บุญวาสนาบา ร, รมีของเราเราคงได้ทํามาเพียงแค่นี้ในชาตินี้อต่อไปเราคงจะ ส, งสร้างคุณงามความดีให้มากกว่านี้บุญบา ร, รมีของเราจึงจะเกื้อหนุนเกือ้อกุลหนุนเราให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละอันนี้ก็คือให้สั่งสมบุญคนที่มีบุญช่อย่างเนะี่อยศฐานบรรดาศักดิ์ทั้งหลายเงินคำทรัพย์สมบัติทั้งหลายเกียรติยศทั้งหลายจะมาเองคนที่มีบุญ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 กวางก็เลยคล้ายๆว่าคงจะมันคงจะร้องเป็นภาษากว่างนะคงจะปี๊บปี๊บอย่างั้ก็มั้งกวางมันร้องนะเดี๋ยวดีๆเดีด๋ยวกวางกระเกาเป็นคําภาษาของมันบ่างลูกกระบอกทําไมเธอจึงหล่นไกลต้นนักตามปกติผลไม้มันไม่หล่นไกลต้นนะมันหล่นใก้จุต้นแต่บัดนี้ทําไมเจ้าจึงหล่น มาตกมาถึงไกลถึงถึงเรามันห่างจากต้นเไกลเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราไม่ชอบใจกับเจ้าเทําไมเจ้าจึงหลนไกลถึงขนาดนี้เจ้าเราไม่กินเจ้าหรอกเอเราไม่พอใจในเจ้าที่โหลนมาไกลขนาดนี้เอข้าเราจะไปกินต้นไม้ต้นอื่นหรอกข้าไม่ชอบใจเพราะฉะนั้นพลานที่อยู่ต้นไม้ก็เลย